ท่านผู้ฟังที่เคารพทุกท่านครับนี่คือรายการทำและทัศนาชีวิตผมวสินินทศระจะได้มาพบกับท่านผู้ฟังอันนี้มาถึงหัวข้อที่สี่ข้อที่สี่ที่ว่าบุคคลผูกมิตรได้อย่างไรฮัลวะัตกายตูนถามพระพุทธเจ้าว่าบุคคลผูกมิตรได้อย่างไรพระพุทธเจ้าก็ตรัสตอบว่า บุคคลผูกมิตรได้ด้วยการให้ผูกมิตรด้วยการให้การผูกมิตรอันก็มีหลายวิธีนะครับมีหลายวิธีการให้ก็เป็นวิธีหนึ่งในหลายวิธีนั้นแม้คนที่โกรธเราเป็นสัตจูต่อเราเมื่อเราให้ของเขาบ่อยๆแ้วก็ให้ด้วยความบริสุทธิ์ใจ ก็สามารถจะเปลี่ยนความโกรธความเกลียดของเขาให้กลายเป็นความรักความพอใจได้พการให้มีความหมายว่าฉันพอใจท่านคนเราเมื่อทราบว่าผู้อื่นพอใจตนด้วยความบริสุทธิ์ใจย่อมจะมีไมตรีต่อเป็นธรรมดาครับก า, ารให้จึงสามารถผูกมิตรไว้ได้ เราผูกใจด้วยการให้อันนี้ก็เป็นเพียงหนึ่งในสี่ข้อแห่งธรรมเป็นเครื่องผูกใจคือสังหาวัตถุสี่สังหาวัตถุสี่ก็คือการให้การพูดจาภิรละการทำประโยชน์แล้วก็การวางตนสเสมอต้นสเสมอปลายนะครับ เรื่องการผูกมิตรนี่ก็มีวิธีอยู่หลายอย่างและในหลายวิธีนั้นก็การให้ก็เป็นวิธีหนึ่งการช่วยเหลือกันการให้ก็เป็นการช่วยเหลือการให้เพื่อการช่วยเหลือบางทีก็ช่วยเหลือด้วยแรงกายบางทีก็ช่วยเหลือด้วยทรัพย์บางทีก็ช่วยเหลือด้วยสติปัญญาก็แล้วแต่ที่สามารถจะช่วยเหลืออะไรได้ก็ช่วยไป ตามความสามารถของเราที่มีอยู่หรือว่าตามความจำเป็นของบุคคลนั้นๆเพาเขามีความจำเป็นที่จะให้ช่วยอะไรอย่างไรนะครับบางทีถ้าเป็นผู้น้อยช่วยผู้ใหญ่หรือสัตว์เล็กช่วยสัตว์ใหญ่หวังว่าเมื่อช่วยเขาแล้วเขาก็จะตอบแทนบ้างแต่บางทีก็ผิดหวัง บางทีก็ผิดหวังเพราะว่าสัตว์ใหญ่หรือสัตว์ที่มีอำนาจราชัชทศก์บางทีก็ไม่ต้องการที่จะตอบแทนผู้ที่มาช่วยเหลือตนหรือว่าหาทางหลีเกเลี่ยงมีเล่ห์เหลี่ยมกลนุบายอะไรมากมายก็จะเล่าให้ฟังสักเรื่องหนึ่งนะครับเล่าให้ฟังสักเรื่องหนึ่งอา่า เป็นเรื่องชาดกนะครับเป็นเรื่องในชาดกก็ปาราลบเรื่องพระเทวทัพนะครับปาราลบเรื่องพระเทวทัพพระพุทธเจ้าก็จะเล่า เ, เรื่องนี้ให้ภิกษุทั้งหลายฟังว่าในอดีตการนานมาแล้วก็มีนกหัวขวานตัวหนึ่งเกิดในยมวัฏตประเทศ เกิดในป่าเมื่อผ่านก็ครานั้นก็มีราชสีหรือสิงโตตัวหนึ่งถูกกระดูกติดคอกระดูกของสัตว์ติดคอกระดูกของสัตว์ของเนื้อติดค อ, อาราชสีหรือสิงโตคอบวมเจ็บมาก ว่าไม่สามารถที่จะหากินได้ไม่สามารถที่จะหากินได้ได้นอนเสวยทุกขเวทนาแสนสาหัสแตนนี้ก็น้หัวขวานโพธิสัตว์เที่ยวหาอาหารอยู่เห็นรัตสีนอนคลางทุกขเวทนาอยู่ฉะนั้นก็เกิดเมตตาจิตลองถามไปว่า มีความทุกข์เรื่องอะไรอ า, าพาธชนิดใดเปลียป่ยนเกิด จ, จะสีหรือสิงโตค้อแจ้งให้ทราบว่ากระดูกเนื้อติดคอมาหลายวันแล้วนกก็มีความกรุณาจึงบอกว่า เ, าเราจะพยายามค่อยๆข้ามเอากระดูกนั้นออกจากคอของท่าน แต่ไม่กล้าเข้าไปในปากของท่านเพราเกรงภัยข้าสจษีก็ตอบว่าท่านอย่ากลัวเลยเราจะไม่ทำอันตรายท่านเป็นอันขาดท่านการุณาช่วยชีวิตของข้าพเจ้าด้วยเถิดมิฉะนั้นแล้วถ้าท่านไม่ช่วยข้าพเจ้าคงต้องตายในครั้งนี้เป็นแนเ่แท่นกหัวขวาน จึงให้ราชสีนอนตะแคงก่อนจะเข้าไปในปากก็ยังระแวงอยู่จึงได้เอาไม้ํำปากราชสีไว้แล้วเข้าไปเข้าไปเอาชงอยปากอีกลายกระดูกให้เคลื่อนกระดูกก็เคลื่อนพลัดตกไปรู้ว่ากระดูกออกแล้วก็เอาชงอยปากขอะ ให้ไม้ที่คำปากราชสีอยู่ลมลกดินได้จับอยู่ที่กิ่งไม้ราชสีหายเจ็บแพ้หายเป็นปกติดีในไม่กี่วันต่อมาวันหนึ่งราชสีข้ากระบือได้ตัวหนึ่งและกำลังกินอยู่นกหัวขวานก็มาพบเขา อยากจะทดลองราชสีจิงบินไปจับที่กิ่งไม้ต้นที่ราชสีอยู่ใต้ต้นไม้แล้วก็รองทักขึ้นว่าข้าพเจ้าคอนอบน้อมแดดมฤคยกราชข้าพเจ้ามีกำลังเท่าไหได้ใช้กำลังทั้งหมดนั้นช่วยเอากระดูกออกจากคอของท่านแล้ว ข้าพเจ้าจะได้อะไรตอบแทนน้ำพักน้ำแหลกข่าวนั้นบ้างก็จะสีแงนขึ้นแงนหน้าขึ้นไปดูก็เห็นนกหัวขวานที่เคยช่วยตนไว้จำได้จึงตอบว่าข้อที่ท่านตกเข้าไปในระหว่างฟันของข้าเพเจ้าผู้ที่มีเลือดและเนื้อเป็นพักษา ทำกรรมหยาบช้าลาศักวิ์อื่นอยู่เป็นหนึ่งนิดแล้วยังรอบชีวิตมาได้นั้นก็เป็นค่าแรงตอบแทนมากอยู่แล้วจะเอาอะไรหนอกอหัวขวานได้ยินเห็นนั้นจึงได้กล่าวสอนราชสีว่าหน้าตีเตียนจิงหน้าตีเตียนหน้าตีเตียนจริง ท, าทง่านนเป็นผู้อกตัญญูไม่รู้คุณที่เราทําแล้วแกตด ความกระตันอยูไม่มีในบุคคลใดการสมาคมกับบุคคลนั้นได้ประโยชน์เมื่อไม่ได้แม้แต่มิตรธรรมจากบุกคคลใดที่เราเคยมีอุปการะคุณก็ไม่ควรโกรธแค้นไม่ควรโกรธแค้นไม่ควรด่าว่าบุคคลนั้นเพียงแต่ค่อยๆตีตนห่างออไปทีละน้อยก็อพอแล้วานี้โปรดสังเกตให้ ด, ดีนะครับโปสั ง, เ, งเกตนอกบุคคล โดยนกโพธิสัตว์อายกติเคยว่าเมื่อไม่ได้แม้แต่มิตรธรรมจากบุคคลใดที่เราเคยมีอุปการะคุณก็ไม่ควรโกรธแค้นไม่ควรด่าว่าบุคคลนั้นเพียงแต่ค่อยๆตีตนห่างออกไปทีละน้อยก็พอแล้วเมื่อกาวอย่างนี้แล้วก็บินจากต้นไม้นั้นไปเรื่องนอกหัวขวานกับกัจจสีนี้นะครับ ในนิทานอิศก็มีปรากฏคล้ายๆอย่างปแปลกกันแต่ที่ว่าก้างติดขอมาจิ้งจอกแล้วก็ขอร้องให้นกกระสาช่วยล้วงก่างให้แล้วก็จะให้รางวัลอย่างงามแเมื่อนกกรสาล้วงให้แล้วพวงรางวัลคาจาัมาจริ้งจอกก็ตอบทํานองเดียวกับที่ราชสีตอ่อนอกข้อความในชาดกนี้ อันนี้เป็นะชะวะสกุณชาดกนะครับอยู่ในสจตุ ก, กนิบัติมีข้อสังเกตที่ควรจะพิจารณาก็คือว่าการทำคุณแก่คนอกตัญญูนั้นไม่มีผลดีอะไรมีแต่เสมอ ต, ตัวกับเป็นโทษแก่ตัวการทำคุณแก่คนจึงต้องเลือก ทำเหมือนกันนะครับเหมือนการเลือกเนื้อนาหรือเนื้อดินที่ดีสำหรับหว่นข้าวปลูกพืชปลูกผักทำสวนปลูกต้นไม้แต่ถ้าหวานข้าวลงในหินก็ไม่ได้ประโยชน์อะไรเนยแรงเปล่าการเลี้ยงงูพิษไว้ก็เหมือนกันเสียของเปล่ามีโอกาสทำลายได้เมื่อไหร่มันก็จะทำลายทันที ในเรื่องการทำอุปการะแก่มิตรมิตรที่ผู้มีอุปการะได้ทำอุปการะให้แต่ถึงคราวที่ต้องการหรือแม่แม่แต่เพียงทดลองเขาได้ลาบก้อนใหญ่มาอย่งราชสีอ่าได้ลาบก้อนใหญ่มาได้เนื้อมาเยอแทนที่จะนึกถึงนกหัวควานบ้างสักเล็กน้อยแบ่งให้นิดหน่อยก็ยังดีแต่ก็เออ ไม่ให่กับ่วงวุญคุณซะอีกว่าตอนที่ข้าไปอยู่ในปากไม่งับเสียให้ตายก็ดีสมเถอแล้ว้การผูกมิตรด้วยการให้ด้วยการช่วยด้วยการอะไรต่ออะไร <c oughs> มันจะได้ประโยชน์สำคัญอยู่ที่มิตรนั้นเป็นคนมีคุณธรรมถ้าเผื่อเขาไม่เป็นคนมีคุณธรรมเขาก็ประทุษร้ายเอาได้เหมือนกัน ถึงเอาโอกาสประทุษได้เอาได้ถ้าการทำคนแก่คนก็ต้องเลือกทำหมือนกันไม่ใช่ว่าจะาทำได้ทั่วทั่วไปก็ถ้าถ้าต้องการที่จะให้ได้ผลดีก็ต้องดูดูบ้างไม่ใช่ว่าทำเรื่อยไปก็เลือกบ้างคราวนี้ต่อมาข้อห้านะครับข้อที่ห้า เขาถามว่าทําอย่างไรเมื่อล่วงรับไปแล้วจึงจะไม่เศร้าโศก อ, อทีนี้ก็ทำสุครองเรือนสีประกันเพื่อสมท า, านบัตรให้บริบูรณ์แล้วอยู่ในโลกนี้ก็เ อ, อื้อมีความสุขล่วงรับไปแล้วก็ไม่เศร้าโศก อ, อนี่เป็นคําตอบของพระพุทธเจ้านะครับออทําอย่างไรเมื่อล่วงรับไปแล้วจึงจะไม่เศร้าโศก โอ้ยเจ้าตรัทิ้งทมสำหรับผู้ของเรือนสีประการเมื่อบุคคลสมาทานปฏิบัติให้บริภูนแล้วอยู่ในโลกนี้ก็เอิบอหยิมมีความสุขล่วงรับไปแล้วก็ไม่ต้องเศร้าสุขเพราะต้องไปดีแน่นอนล่วงรับไปแล้วก็ต้องไปดีคือไปสุคติทำ ส, สีประการดังกล่าวนั่นก็คือสัจจะ มาถึงสัจจยนะครับสัจจะความจริงจริงกายจริงวาจาจริงใจการที่สองธรรมะเราฝึกตนฝึกตนฝึกจริงสี่มีตาหูเป็นต้นนะครับแล้วก็ขันติอดทนก็จักกะเสียสละจักขะเสียสละพอาทำสี่ประการนี้เราได้ยินได้ฟังกันโดยมากอยู่แล้วนะครับ สำหรับชาวคุตโดยทั่วไปก็ได้ยินการวัตถธรรมก็ไม่จำเป็นที่จะต้องพูดซ้าอีกนะครับก็ขอย้ำในที่นี้แต่เพียงว่าหลักสี่ประการนี้ทาให้เราเป็นคนกล้าทำกล้าพูดกล้ายอมรับความจริงในสิ่งที่ตนทำและพูดนั้นชับจาก อันนี้ก็คือสัจจะทีนี้ก็ทำให้เราลงมือฝึกฝนตนเองเพื่อบรรลุจุดมุ่งหมายที่เราตั้งไว้ไม่ใช่อยากได้ดีอย่างลอยๆอยอันนี้ก็คือธรรมะธรรมะคือการฝึกฝนตนเองแล้วก็ทำให้เรารู้จักรอคอยผลแห่งการงานที่เราทาแล้ว ด้วยความอดทนสงบนิ่งไม่ติโพยติพายคือว่าทำไปบนไปเอกร้องหาผลไปเราสันโดษในผลนะครับแต่ไม่สันโดษในเหตุคือว่าทำเหตุไปเรื่อยแต่ว่าผลจะได้สักเท่าไหร่ก็แล้วแต่เหตุจะบันดาลให้เป็นไป จะมีความตั้งใจแน่ว แ, แน่อย่างนั้นส่วนนึกว่ า, ามีความรู้สึกว่าไม่ต้องการอะไรไม่ต้องการอะไรแล้วก็สามารถจะอยู่อยู่ได้โดยอยู่เป็นเป็นสุขและสงบอยู่ไดเ้เพราะความที่ไม่ต้องการอะไร แต่ว่าทำเหตุไม่หยุดทาเหตุทำเหตุด้วยไปแต่ว่าไม่ต้องการอะไรเรียกว่าไม่เราสันโดษในผลแต่ว่าไม่สันโดษในเหตุแล้วก็ไม่ถอยกลับในความเพียรเราทำความเพียรด้วยไปแล้วก็ทำให้เราเสียสละได้ทุกอย่าง เพื่อจะมุ่งหน้าสู่ความสาเร็จผลที่มุ่งหมายกล้าดำรงตนอยู่โดยลำพังเพื่ออารมคติอันสูงส่งของตนอันนี้ท่านผู้ฟังโปรดสังเกตให้ดีนะครับว่ากล้าดำรงตนอยู่โดยลาพังอันนี้หมายความว่าอย่างไร ที่ว่ากล้าดำรงตนอยู่โดยลำพังอท่านต้องดูข้อความต่อมาที่ว่าเพื่ออุดมคติอันสูงส่งของตนอันอะไรอะไรจะมาย่วยวนให้เขาเควยออกนอกถางไม่ได้แข็มแข็งทนทานเมื่อต้องการเผชิญอัย น, น่ากลัวเพราะได้ตั้งใจเสียสละทุกอย่างไปแล้ว นี่คือจากะนะฮะแล้วก็มีน้อยคนที่จะเด็ดเดี่ยวที่จะกล้าดำรงตนอยู่โดยลำพังคือว่าไม่ต้องการอะไรไม่ต้องการความนับถือไม่ต้องการความเคารพไม่ต้องการบุญคุณจากใครไม่ต้องการให้เขายกย่องนับถือ ไม่ต้องการความมีหน้ามีตาในสังคมไม่ต้องการอะไรอะไรต่างๆมากมายที่คนส่วนมากเขาต้องการกันแต่ซึ่งจะต้องอ่อนน้อมให้แก่โลกอ่อนน้อมให้แก่โลกหรืออ่อนน้อมให้แก่สังคมไม่สามารถจะดำรงตนู่โดยลําพังได้เพราะต้องอ่อนน้อมให้แก่สังคม แต่คนที่สามารถจะดํารงตนอยู่ได้โดยลําพังไม่ต้องอ่อนน้อมให้แก่สังคมเพื่อเพื่ออุดมะติอันสูงส่งของตนแล้วก็ไม่มีอะไรที่จะมาย่วยจวนให้เขาเควืยงอกทางได้มีน้ำซ้ำอย่างเข้มแข็งทนทาน เมื่อต้องเผชิญภัยอันน่ากลัวเพราะได้ตั้งใจเพราะได้ตั้งใจเสียสละทุกอย่างไว้แล้วเพื่อผุดดมคติอันสงสงของตนอันนี้ขอให้ท่านผู้ฟังลองพิจารณาดูว่าเป็นสิ่งที่ทำได้หรือทำไม่ได้ เป็นสิ่งที่ทำได้ยากหรือทำได้ง่ายเป็นสิ่งที่ควรทำหรือไม่ควรทำอย่างไรหรือว่าบุคคลเช่นนั้นจะไปอยู่ในโลกของอุดมคติหรือว่าสังคมยูโทเปียสังคม อ, อุดมคติ่ไม่ใช่สังคมธรรมดา แต่ผมว่าทําได้แล้วก็พยายามทําก็ทำได้แล้วก็ถ้าเผื่อว่าในสังคมนั้นมีคนที่ทําอย่างนี้กันได้มากๆสังคมก็จะดีขึ้นจะมีความสุขและมีความปลอดภัยมากขึ้นแต่ว่ามันต้องอาศัยความกล้าหาญ ความกล้าหาญความเข้มแข็งอดทนแล้วก็ไม่มีไม่มีอะไรที่น่ากลัวไม่มีอะไรที่น่ากลัวเพราะว่าเขาได้ตั้งใจเสียสละทุกอย่างไปแล้วก็ไม่มีอะไรที่น่ากลัวและคนที่ไม่ติดโซ่ตรวน ของลาภยศแล้วก็ไม่มีอะไรที่น่ากลัวก็จะเป็นคนที่เซรีเป็นเสรีชนที่แท้จริงซึ่งค่อนข้างจะหาได้ยากแต่ก็หาได้และก็ทำได้อย่างน้อยก็มีท่านหมาตมา ก, กันที่ผู้นหนึ่งที่ผมได้ยกตัวอย่างมาแลวข้างต้นนะครับ ท่านผู้ฟังที่ก็บรบกับสําหรับวันนี้เวลาหมดแล้วครับก็คงต้องขอยุติด้วยเวลาเพียงเท่านี้ครงนี้พบกันใหม่ครับสําหรับวันนี้ขอความสุขสวัสดีความเจริญพึ่งมีแต่ท่านผู้กระทํารายการท่านผู้ฟังโดยทั่วกันสวัสดีครับ